ชีวิตนี้แม้น้อยนะักแต่ก็เป็นความสําคัญนะักสําคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สําคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทําไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ําเพียงใดก็ได้ ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้วทําอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงยังทําอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สําคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสําคัญของชีวิตนี้ชีวิตนี้น้อยนักแต่มีความสําคัญนักด้วยเหมือนกันถ้าชีวิตนี้ ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีตชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดีถ้าวิ่งหนีก็จะผลได้กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ก็จะตามต่อไปได้อีกในชีวิตอนาคตกรรมไม่ดีที่ทำไวในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดดูผ้าผู้คนในบางประเทศที่อดอยากแสนสาหัสหน้าตาแทบจะไม่เป็นคนเหมือนโครงกระดูกเดินได้เด็กเล็กๆหน้าสงสารไม่มีเนื้อมีแต่หนังหุ้มกระดูกผู้ใดเห็นผู้นั้นก็สลดใจอย่างยิ่งสงสารอย่างยิ่งเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนั้นก็พึงนึกถึงตนเองใครเล่า จะรับรองได้ว่าเมื่อตายไปจากภพชาตินี้แล้วเราจะไม่ไปเกิดในประเทศเช่นนั้นจะไม่ไปมีสภาพเช่นโครงกระดูกเดินได้ด้วยความอดอยากยากแค้นเช่นนั้นใครเล่าจะรับรองได้ว่าในอดีตชาติเราไม่ได้เป็นคนขับแคบไม่เคยทำบุญให้ข้าวปลาอาหารแก่ใครเลยมารดาบิดาผู้แก่ชาราก็หาได้สนใจให้ข้าวให้น้าให้มีความสุข อิ่มหนำสำรานไม่ยิ่งเป็นสัตว์หมาแมวด้วยแล้วไม่เคยเมตตาปราณีให้ข้าวสักเม็ดให้น้ำสักหยดเมื่อไม่รู้ตัวว่าเคยเป็นเช่นนี้มาก่อนในอดีตชาติก็ไม่อาจรู้ได้ว่าในอนาคตจะต้องไปมีสภาพอดอยากจนเป็นโครงกระดูกเดินได้หรือไม่ความเป็นไปได้มีอยู่สำหรับทุกคนเพราะทุกคนได้ทำกรรมไว้เป็นอันมากต่างๆกัน อันอาจจะเป็นเหตุให้ต้องอดอยากยากแค้นแสนสาหัส ต, ตั้งแต่เริ่มลืมตาเห็นโลกไปเกิดในประเทศที่เรียกกันว่าเป็นนรกในโลกอย่าประมาทอย่ามั่นใจว่าอนาคตสำหรับเราจะไม่เป็นเช่นนั้นกรรมเช่นนั้นอาจจะวิ่งไล่เรามาโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นถ้าแม้ไม่ประมาทต้องวิ่งหนีให้สุดกำลังความสามารถชีวิตนี้เท่านั้น ที่เราจะพบทางหนีได้และชีวิตนี้ก็น้อยหนักมัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้พ้นจากชาตินี้ไปแล้วจะไม่มีโอกาสดีให้วิ่งหนีกรรมได้อีกเลยเมื่อชีวิตนี้น้อยหนักผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็คิดไปทางหนึ่งผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฏฐิก็คิดไปทางหนึ่งพวกผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็จะคิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เอาไปได้ก็แต่บุญบาปหรือความดีความชั่วเท่านั้นพวกผู้มีปัญญาคิดเช่นนี้จึงเร่งทำความดีส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดก็จะคิดว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตาย มีวิธีใดจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองก็ต้องรีบหาไม่มัวคำนึงว่าจะผิดหรือถูกถูกผิดก็ช่างให้ได้ก็พอใจพวกผู้บ่าวปัญญาคิดเช่นนี้จึงทำบาปทำความไม่ดีได้เสมอชีวิตนี้สำหรับบุคคลสองประเภทดังกล่าวมีคุณมีโทษแก่สองฝ่ายแตกต่างกันเป็นไปตามทิฏฐิคือความเห็นดังกล่าว อย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิที่โฉดเขลาเบาปัญญาเลยเพราะจะทำชีวิตนี้ให้สูญเปล่าไม่อาจหนีพ้นมือที่น่าสะพรึงกลัวแห่งกรรมไม่ดีไม่อาจได้เข้าไปอยู่ในความอบอุ้มทนุถนอมของมือที่อบอุ่นแห่งบุญคือกรรมดีโอกาสอันดีที่มีอยู่น้อยนักเพียงชั่วชีวิตอันน้อยนักนี้ก็จะผ่านไปอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้กรรมไม่ดีที่ทาไว้แน่ ก็จะแห่ห้อมเข้าประชิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในชีวิตนี้ชีวิตของผู้ที่ไม่รู้จักวิ่งหนีกรรมมาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฐิเถิดชีวิตอันน้อยนี้จะได้ไม่สูญเปล่าจะได้สามารถใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้คือหนีไกลาจากกรรมไม่ดีได้กรรมไม่ดีที่กําลังติดตามเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนักทั้งที่หนัก และที่เบาทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักห น, กหนาทั้งที่จะทรมานเราจนแทบว่าจะรับไม่ไหวทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริงๆด้วย